สมองเป็นกรรมะชรูปคือเป็นรูปที่เกิดจากวิบากของกรรมความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดานก็คือวิบากต่างๆนั่นเองจงพิจารณาดูให้ซึง้งในเมื่ออารมณ์เสียคือวิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆสมองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากวิบากมันก็ต้องไม่ดีอย่างแน่นอน